กราบข อ, อการ จ, จากหลวงพ่อคำเขียนนะครับกราบข อ, อการ จ, จากพระอาจารย์ทรงศินป์ข อ, อการ จ, จากพวกเราเพื่อนสัตธรมิกเจริญพรมายัางไม่ชีแล้วก็ญาติโยมนะฮะทั้งหลายก็เมื่อวานนี้กับวันนี้ก็บรรยากาศที่วัดก็จะโล่งๆเนาะหลังจากที่หลายวันมาก็ ผูค้คนเยอะแยะไปหมดแต่ว่าตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามที่วัดเราก็ยังคงเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวอะไรจะเกิดขึ้นเนาะจะเป็นคนเยอะก็ดีจะเป็นคนน้อยก็ดีตรงนั้นก็หมายถึงว่าเรารู้หรือเปล่าว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจของเราเนาะถ้าเราดีใจก็ให้เรารู้สึกได้ว่าเราดีใจ ถ้าเราไม่ดีใจก็ให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีใจตรงนี้หมายความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามกลับมารู้สึกตัวไว้ก่อนคาว่ารู้สึกตัวก็คือรู้สึกที่กายก็ได้รู้สึกที่ใจก็ได้เพราะว่านั่นคือสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกที่มีอยู่แล้วเนาะจะรู้สึกที่กายก็มีอยู่ตรงนั้นจะรู้สึกที่ใจก็มีอยู่ตรงนั้นแต่ว่านั่นคือในขณะที่เรา จะรู้สึกที่กายก็ดีจะรู้สึกที่ใจก็ดีนั่นหมายความว่าณนะตอนนั้นใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวและใจเราก็ไม่หลงไปอยู่กับความคิดเพราะนั้นณนะเวลานั้นก็หมายความว่าเราก็ไม่มีทุกข์ในช่วงขณะที่เรารู้สึกตัวกันเพราะนั้นั้นคือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรากาลังยกมือสร้างจังหวะก็ดีหรือเรากาลังเดินจงกรมอยู่ก็ดี ตรงนั้นก็หมายความว่าเรากําลังทําความเพียรอยู่ไม่ใช่เราเคลื่อนไหวไปปีๆนั่นนั้นคือนั่นคือเขาเรียกว่าภารากิจหลักของพวกเราที่อยู่ตรงนี้ภารากิจหลักที่เราเรียกตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคําเขียนนี่นี่คือสิ่งที่พระอาจารย์พุท ธ, ธาสเนาะหลวงพ่อพุทธาตก็พูดเอาไว้ เขาพูดไว้หน้าฟังเนาะท่านก็พูดเอาไว้ว่าถ้าไม่ตำทัถ้าไม่ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนเรียกว่าลูกศิษย์ท่านก็ท่านก็จะมีคาพูดที่คล้องจองเนาะเป็นคำกลอนที่ฟังง่ายๆแต่ตรงนี้ก็คือถ้าหากว่าพวกเราไม่ว่าที่อยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราเกิดบอกว่าเรากล่าวอ้างกับคนอื่นอย่างพู่มอกภูมิใจว่า เรามาจากวัดป่าสุกโตหรือเราอา ก, กล่าวอ้างกับคนอื่นอย่างภูมิใจว่าเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคำเขียนตรงนี้หมายความมาตรงนั้นเราก็ต้องกลับมารู้สึกที่ใจเราหรือกลับมารู้สึกที่กายเราก็ได้เรากาลังกล่าวอ้างด้วยความภูมิใจหรือเปล่าเรากาลังกล่าวอ้างด้วยความมีตัวมีตนของเราหรือเปล่าหรือว่าเรากาลังกล่าวอ้างอย่างที่เรารู้สึกตัวจริงๆตรงนั้นไม่มี ความภูมิใจไม่มีก็เรียกว่าความมีตัวมีตนตรงนั้นก็ทั้งหมดก็ถูกหมดเนาะอย่างนั้นเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยก็เป็นภารกิจภารกิจของพวกเราแลภารกิจนี้ก็คือภารกิจที่ทำให้เรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่พาเราไปสู่ความทุกข์น้อยลงมันก็เป็นเรื่องที่เราก็เรียกว่า เราได้เรียนรู้เราได้สัมผัสอยู่ทุกวันอย่างตอนที่ช่วงยี่สิบกวันที่ผ่านมาก็มีการบวชการบวชเนนภาคฤ ด, ดูร้อนหรือเราจะเรียกเรียกว่าการบวชภาคฤ ด, ดูร้อนก็ได้เพราะว่าตรงนั้นก็ไม่ใช่มีแค่เนนอย่างเดียวนะก็มีทั้งลูกเนนมีทั้งลูกพระมจรีณีตรงนั้นก็ ก็คือคล้ายๆว่าเวลาที่เราอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าเรากาลังสอนเด็กเนาะเป็นผู้ใหญ่กาลังสอนเด็กตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อเมื่อไหร่ที่มีคำคำว่าสอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยอุ ป, ปทานเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับการกําลังมอบ สิ่งดีๆเนาะให้กับคนอื่นเนะาะถ้าคนอื่นไม่รับสิ่งดีๆที่เรามอบให้บางทีการเกิดความหงุดหงิดก็จะเกิดขึ้นง่ายเนาะอย่างนั้นบางทีความหงุดหงิดหลายๆครั้งก็จะเกิดเกิดเป็นการที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความหงุดหงิดที่อยู่ในจิตใจแต่ก็จะออกไปเป็นการกระทําบ้างเนาะออกไปเป็นคําพูดบ้างตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ ความหวังดีในการสอนมันก็จะเปลี่ยนไปเนาะเป็นการดุกันว่าการลงมือทำร้ายกันตรงนั้นก็ถ้าหากว่าเราดูเฉพาะส่วนเนาะดูการดุกันว่าก็ดีหรือการลงมือทำร้ายกันก็ดีตรงนั้นก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าถูกโทสะเนาะเข้าครอบงำตรงเนี้ยการสอนก็จะเนื้อหาก็จะ เขาเรียกว่าผิดเพี้ยนไปเพราะเนื่องจากว่าโทสะก็จะขึ้นมาเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าเป็นการนําหน้าเนาะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆเนาะบางทีก็หุดหงิดกันเนาะเพราะว่าพูดแล้วไม่ยอมฟังอย่างเนี้ยเนาะอย่างนั้ น, น, นแต่ว่าตรงนั้นก็หมายความว่าเราเองก็ถ้าเกิดว่าเรากลับมารู้สึกตัวเนาะ การที่เราอยู่กับเด็กก็ดีการที่เราอยู่กับพวกคนที่สนสนก็ดีตรงนั้นก็จะทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะกลับมารู้ว่าเราหลงเนี่ยบ่อยครั้งแค่ไหนแล้วก็ถือว่าก็เรียกว่าก็มีเด็กเป็นครูนะอย่างนั้นกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นโอกาสของผู้ที่ได้เข้าไปก็เรียกว่าได้เข้าไปเรียนรู้เนาะ การเจริญสติกับกิจกรรมที่เราเรียกว่าค่ายบวชเนาะภาคฤ ด, ดูร้อนตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนาะเราเอามาเขาเรียกว่าเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการทําความรู้สึกตัวตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราจะไม่รู้สึกเนาะว่าเราเสียเวลาปเปล่าๆมันก็มีก็เรียกว่า หลายครั้งในชีวิตเราเนาะหรือว่าเป็นเรื่องปกติที่เราเองเราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเนาะจะมีคนพูดว่าอยู่ที่นี่เสียเวลาเปล่าๆนะทำอย่างนี้เสียเวลาเปล่าๆตรงนั้นเป็นคำพูดที่น่าสนใจมากๆเพราะว่านั่นคือคนที่พูดอย่างนั้นออกมาเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ฉวยโอกาสอย่างที่หลวงพ่อเขียนเคยบอกเอาไวนะ้เนาะมาให้เราฉวยโอกาส ชั่วช้างสะบัดหูก็ได้ช่วงงูแลบลิ้นก็ได้กลับมารู้สึกตัวถ้าเราใช้โอกาสอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนอย่างที่เป็นหนังสือเล่มใหม่ของหลวงพ่อเนาะความพลั่งพร้อมในการปฏิบัติไม่ว่าอะไรอะไรก็ตามก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีโอกาสในการปฏิบัติเหมือนอย่างที่เวลาที่หลวงพ่อเขียนเข้ากรุงเทพนะหลวงพ่อก็บอกบางบ้าเออถนนในกรุงเทพนี้ มันน่าจะทําให้คนบรรุทำง่ายนะอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดเราเนาะฉวยโอกาสเอาทุกโอกาสเนี่ยถนนในกรุงเทพก็มันก็จะไม่น่าลำคานเนาะเพราะว่าเรากลับมารู้สึกได้ว่าอืม้มใจเราลาคาญตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนาะก็เรียกว่าเราจะได้เอาฉวยโอกาสเอาทุกๆทุกๆขณะเนาะทุกๆขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยมาทําความรู้สึกตัวหรือเปล่า เพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นสำคัญว่าถ้าหากว่าเราเวยโอกาสเอาทุกขณะมาเป็นความรู้สึกตัวตรงนั้นก็คือเราก็จะรู้จักจะไม่ใช่ไม่ใช่รู้จักนะจะอยู่กับขณะนั้นได้จริงๆแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับความคิดเมื่อไรที่เราอยู่กับความคิดตอนนั้นณนะขณะนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่ก็จะถูกเวลาเนาะ ที่ใจเนี่ยหลงไปอยู่กับความคิดเนี่ยแย่งมาไปเพราะนั้นก็คือตรงนี้คำว่าปัจจุบันขณะก็ดีจะเป็นคำว่าอืมจะเป็นคำว่าปัจจุบันขณะก็ดีเนาะจะเป็นคาว่าอะไรยังไงก็ที่มันหมายถึงว่าณนะขณะนั้นณนะวินาทีนั้นเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นมาว่าถ้าเรากลับมารู้สึกตัวเนาะเรานั่งอยู่ก็รู้ว่ากาลังนั่งอยู่ เรายืนอยู่ก็รู้ว่าเรากําลังยืนอยู่เรานอนอยู่ก็รู้ว่าเรากําลังนอนอยู่เราตื่นอยู่ก็รู้ว่าเรากําลังตื่นอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมาถ้าหากว่าเราซอยความรู้สึกตัวลงไปเป็นทุกขณะจิตทุกขณะจิตเนี่ยเราก็จะอยู่กับความจริงณนะปัจจุบันข้างหน้าเนี่ยอย่างดีที่สุดนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเพราะว่ า, าสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ เรียกว่าผ่านเข้ามาเนาะผ่านเข้ามาในชีวิตเราตลอดเวลาผ่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราตลอดเวลาไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นกับกายก็ดีไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นกับใจก็ดีอย่างสมมติเนะาะหลวงพ่อผมเขียนก็จะเคยเทศเมา่ก่อนเนาะถ้าหากว่า่าน ถ่านเตาเนาะถ่านเตาไฟอะ่ะมันตกใส่ตักเราเราจะทํำยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมเราจะถามไหมว่าใครเป็นคนทำอย่างเงี้ยใช่ไหมเงี้ยถ้าเกิดว่าเราถามว่าใครเป็นคนทำถ่านตอนนั้นมันก็คงจะต้องไหมเราเนาะอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าปฏิกิริยาของเราเนี่ยณขณะนั้นเนี่ยถ่านตกมาเนาะเราก็รู้ว่าถ่านตกมาสิ่งที่เราต้องทําก็คือก็ต้องปัดมันออกไปก่อน คอยถามว่าใครทำหรืออะไรยังไงก็นั้นก็เป็นเรื่องที่หลังไปนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะเราจะเห็นได้ว่าณขณะหนึ่งณนะขณะหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็มีความสำคัญทั้งหมดไม่ว่าณขณะนั้นเรากาลังนั่งอยู่ก็ดีณนะขณะนั้นเรากาลังยืนอยู่ก็ดีเพราะว่าขณะนั้นก็คือขณะที่ไม่ว่าเราจะนั่งก็ตามเราก็จะนั่งเพื่ออะไรเราจะยืนก็ตามเราก็จะยืนเพื่ออะไร จะเดินก็ตามจะเดินเพื่ออะไรเพราะนั้นในขณะที่เรากำลังยกมือสร้างจังหวะก็ดีเนาะตรงเนี้ยก็จะมีการเคลื่อนเนาะการหยุดการเคลื่อนการหยุดเนาะเรานั่งให้มัน่นคงก็ว่าจะทำให้เรามีการเคลื่อนไหวที่อยู่ในท่านั่งได้ดีเรากำลังเดินจงกรมอยู่ก็จะมีการเดินและมีการหยุดจังหวะตรงนั้นก็หมายความว่านณะขณะหยุดตรงนั้นเนี่ย เซลวินาทีนั้นเป็นการหยุดที่เราพร้อมที่จะก้าวต่อหรือเปล่าพราะนั้นนั่นคือหมายถึงว่าในการจงกลมก็ดีในการยกมือสร้างจังหวะก็ดีก็จะมีการนั่งมีการเคลื่อนไหวมีการยืนแล้มีการเคลื่อนไหวสลับสลับสลับกันไปตลอดเวลาเนั้ะนั้นคือตรงเนี้ยเนาก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเราซอยสิ่งต่างๆเนาะให้เป็นรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเนาะ เราก็จะได้เห็นก็เรียกว่าความเป็นจริงเนี่ยที่ปัจจุบันขณะนั้นเนี่ยที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยได้ดีขึ้นดีขึ้นนั่นนัคือตรงนเนี้ยเนาะก็เรียกว่าธรรมชาติของกายเราก็ดีธรรมชาติของใจเราก็ดีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เตรียมพร้อมเนาะให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้กลับมารู้สึกตัวกันนะอย่างที่ครูบาอาจารย์บอก กลับมารู้สึกตัวกันกลับมารู้สึกตัวกันตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นผิดที่ไม่รู้สึกตัวหรือเป็นถูกที่รู้สึกตัวแต่ว่าตรงนั้นก็หมายความว่าให้เราทำเป็นนิสัยเนาะเท่านั้นเองถ้าเราทำเป็นนิสัยล้วก็จะมีเ็าเรียกว่ามีความรู้สึกตัวบ่อยครั้งขึ้นบ่อยครั้งขึ้นถ้าเรารู้สึกตัวได้า่า เรารู้สึกตัวยังไม่เป็นนิสัยเนาะตรงนั้นก็หมายถึงว่าเราก็อยู่กับความหลงบ่อยครั้งขึ้นนั่นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้พวกเราก็อย่าไปหงุดหงิดกับตัวเองเนาะว่าอืมนี่เราแบบว่าหลงอีกแล้วหรือว่านี่เราก็ดีใจกับตัวเองว่าเออนี่เราก็รู้อีกแล้วตรงนั้นก็หมายความว่าณขณะที่เราเผลอไปดีใจใจเราก็ฟูเนะ น, นาะณขณะที่เราแบบว่าเผลอไปเสียใจตรงนั้นใจเราก็แฟบเนาะอย่างนั้น นั่นก็คือเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เหมือนกับว่าอะไรก็ตามเนาะที่เกิดขึ้นกับกายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยเรากลับมารู้สึกโตกันไหมถ้าหากว่าเราทำได้อย่างนั้นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในชีวิตประจำวันก็จะเป็นสิ่งที่สำเร็จสมบูรณ์ลงเป็นขณะขณะเนาะสเร็จสมบูรณ์ลงเป็นขณะขณะ เพราะนั้นนั่นคือตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราก็จะไม่นึกเสียใจว่าเราเสียเวลาไปเปล่าๆ เ, าเานาะอย่างที่แบบว่าเมื่อก่อนหรือว่าคนๆรอบๆข้างเราบน่บนๆกันเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้นะก็เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้ฝึกฝนกันในเรื่องการกลับมารู้สึกตัวการกลับมารู้สึกตัวว่าตรงนี้เนี่ยเครื่องมือที่หลวงพ่อเทียน ได้ให้เอาไวนะ้เนาะเครื่องมือที่หลวงพ่อคำเขียนได้ซึมซับจากหลวงพ่อเทียนแล้วก็กลับมาให้ไว้กับเราตรงเนี้ยก็คือถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากแต่ว่าตรงนั้นเนาะหลวงพ่อคาเขียนก็เคยบอกเอาไว้ไม่ใช่ง่ายถึงทำเนาะไม่ใช่ยากถึงไม่ทำไม่ใช่ทำได้ถึงทำ ไม่ใช่ทําไม่ได้ถึงไม่ทําเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยไม่ว่าอะไรก็ตามอยากก็ต้องทำเนาะง่ายก็ต้องทําทําไม่ได้ก็ต้องทําทําได้ก็ต้องทําเพราะว่านั้นคือเป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องทําเพราะว่าความรู้สึกตัวจะช่วยให้เราไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้ปฏิบัติตรงนี้กัน มันก็มีคําสอนเนาะง่ายๆของหลวงพ่อเนี่ยที่ก็เป็นคําสอนที่น่าจดจํากันหรือถึงแม้ว่าไม่จดจํามันก็มันก็สั้นจนเราก็เขาเรียกว่าไม่รู้จะเติมอะไรเข้าไปได้อีกไม่รู้จะตัดอะไรออกไปอีกอย่างที่เช่นคําสอนของหลวงพ่อที่บอกบอกว่าอย่าเอาถูกอย่าเอาผิดอย่างเงี้ยเนาะพอมาเมื่อไหร่ที่เราเอาถูกเอาผิดตรงนั้นเราก็คิดไปเรียบร้อยแล้วเนาะหรือว่าอย่าเอาเหตุอย่าเอาผล นั่นตรงนั้นก็คือหมายความว่ า, าถ้าเราเข้าไปยุ่งกับเหตุกับผลก็คิดเข้าไปอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยก็เป็นคําสอนของหลวงพ่อเนี่ยก็จะเป็นคําสอนที่สั้นๆเนาะเหลือแต่ใจความสําคัญสําคัญจริ ง, รงๆเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยว่าทุกอิริยาบถ ท, ที่หลวงพ่อมีทุกอิเลทุกคําพูดที่หลวงพ่อสอนสิ่งนาตา น, านาเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ อยากให้พวกเราเนี่ยได้สังเกตได้เก็บรับกันเพราะเนื่องจากมาตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเนาะที่พวกเราเนี่ยได้ได้เห็นเนาะครูบาอาจารย์ได้เห็นความเป็นไปของครูบาอาจารย์จะพูดก็ดีจะทำก็ดีตรงนี้ก็คือเครื่องมือที่เราเนี่ยจะได้บันทึกเอาไวนะ้บันทึกเอาไว้เป็นก็เรียกว่าเป็นบทเรียนที่จะเอามาใช้สอนเนาะ ให้ตัวเราเนี่ยได้ลงมือทำมมเมื่อมันก่อนก็มีคุณครูท่านหนึ่งท่านก็โทรศัพท์มาแล้วก็อยังไงอะเขาเรียกว่าจะเรียกว่กาบ่นก็ได้นะโ <c oughs> ทรศัพท์มาแล้วก็บน่นบอกว่าเนี่ยในช่วงหลายวันนี้เนี่ยแบบว่า มีทุกมีทุกมากมากเลยนะมีทุกมากมากเลยทุกจากการที่ท่านไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้รับการปูนบําเห น, นะน็จเนาะเกิดเนื่องจากขา้าราชการก็ต้องมีการปูนบําเหน็จกันใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่ามีความดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะได้สองขั้นอะไรอย่างงี้เนาะในความในความเข้าใจของคนนะนะก็หวังตรงนี้ ท่านก็บอกออกมาเนี่ยครั้งสุดท้ายเนาะที่ท่านได้สองขั้นเนี่ยก็คือเมื่อปี2538จนถึงปีนี้ก็โอ้นานเหมือนกันนะสิบเจ็ดปนะีท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็ตัดพาะต่อมาว่าเนี่ยจะเป็นเพราะว่าวันเกิดของผ อ, อเนี่ ย, ยไม่ใช่วันเกิดของผ อ, อวันแต่งงานของลูกสาวผออหรือ ไ, รไงเนี่ยท่านไม่ได้ไปหรือเปล่าผ อ, อก็เลยเกียดขี้หน้าอะไรอย่างเนนะ ทำให้ท่านเนี่ยแบบว่าสิกว่าปีมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สองขั้นอีกยอะไรเงี้ยนะแล้วท่านก็บอกมาก็มีรายละเอียดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนาะอย่างงั้นที่ท่านก็บ่นเล่าให้ฟังมา18ปีที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างยอะไรเงี้ยนะก็เก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้นะโอ้โหเยอะจริงๆเลยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่แบบว่านลท่านก็บอกออกมาสิ่งที่ท่านเนี่ยแบบว่าพยายามทําแล้วก็น่าจะได้สองขั้นก็คือท่านก็บอกว่า ท่านอะทำให้โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนพุทธอย่างเงี้ยเนาะบอกว่าเป็นโรงเรียนแนวพุทธท่านอะเป็นคนทําคนแรกเลยอะไรเงี้ยนะที่แบบว่าเอ า, าศาสนาพุทธเข้ามาในโรงเรียนอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าก็เลยบอกก็บอกว่าเออจริงๆจริงๆแล้วแบบว่าเวลาที่เราเอ า, าศาสนาพุทธเข้าโรงเรียนเนี่ยในความเป็นจริงก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าเราเอา S S สวดมนต์เข้าโรงเรียนหรือว่าเราเอาป้ายไปปิดไวหน้าโรงเรียนเพราะถ้าเกิดว่าเราจะพูดคําว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือโรงเรียนนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยทุกกันหรือเปล่าเงี้ยโรงเรียนนี้นักเรียนทุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโรงเรียนนี้นักเรียนยังทุกอยู่ครูบาอาจารย์ยังทุกอยู่ตรงเนี้ยไม่น่าใช่โรงเรียนวิถีพุทธนะก็พอพูดเสร็จเนาะ ก็โทรศัพท์ก็ถูกวางไปแล้วก็ไม่ได้รับการโทรกลับมาอีกเลยก็เราก็ยังนึกชั่งใจว่าจะโทรกลับไปหาดีหรือไม่โทรกลับไปหาดีก็จนบันนี้ก็หลายวันมาแล้วนะก็ไม่ได้โทรศัพท์ไปหาแล้วก็ท่านก็ไม่ได้โทรกลับมาอีกก็ไม่รู้คําพูดของเราก็จะแบบ ไปทําร้ายจิตใจท่านอีกทีหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอย่างนั้นแต่ว่าตรงเนี้ยนะก็อยากให้อยากให้พวกเราเนี่ยได้ได้แบบได้ดูกันในรูปแบบกันในเนื้อหาเพราะเนึ่งจากว่าบางครั้งเนาะบางทีเราก็จะไปให้ความสนใจในรูปแบบมากเกินไปจนกระทั่งเนื้อหาเนี่ยแบบว่าถูกลดทอนความสําคัญลงเหมือนอย่างเวลาที่เรายกมือสร้างจังหวะกันก็ดี หรืว่าเวลาที่เรากําลังเดินจงกรมกันก็ดีตรงเนี้ยบางทีเราก็จะไปให้ความสําคัญกับรูปแบบมากบางทีเราก็จะพบว่านักปฏิบัติใหม่ๆบางทีก็จะพยายามหลับตากันเนาะหลับตากันเพื่อที่ว่าจะรับรู้เอ๊ะความรู้สึกตัวอยู่ตรงไหนนะความรู้สึกตัวอยู่ตรงไหนนะแบบเนี้ยใช่ไหมฮะางนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าขอให้เราได้นึกถึงนะว่าถ้าเราจําลองการทํางานเนี่ย ด้วยการที่เรากําลังยกมือสร้างจาาังหวะกําลังสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาเพื่อมันเกิดผลงานอะไรสักอย่างเนี่ยตรงนี้เราก็คงไม่สามารถทํากับข้าวด้วยการหลับตาได้เราก็คงไม่สามารถเขียนหนังสือด้วยการหลับตาได้เพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนาะการหลับตาก็นั่นหมายความว่าในใจของเราเนี่ยกำลังตั้งใจเกินไปหรือเปล่าถ้าเรากําลังตั้งใจเกินไปมันก็จะกลับมาสู่ความตั้งใจที่พอเหมาะพอดี จริงอยู่เนาะว่าการทำเนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องมีความตั้งใจแต่ถ้าเกิดความตั้งใจเกินไปมันก็จะไปทําให้เราทุกข์เนาะทุกข์ในใจมันจะไปเพิ่มภาระไหนไหนก็ต้องทําแล้วเนาะใช่ไหมต้องตั้งใจทํามากเกินไปอย่างเนี้ยเนาะบางทีตรงนั้นก็ทําให้เราเกร็งเราแข็งตรงเนี้ยก็จะเป็นการเพ่งกันจ้องอะไต่างดังนั้นคือตรงเนี้ยเนาะก็เป็นเรื่องที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ตามเนาะ อะไรจะเกิดขึ้นกับกายก็ดีอะไรจะเกิดขึ้นกับใจก็ดีถ้าพวกเรากลับมารู้สึกตัวกันเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยทุกน้อยลงในทันทีเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็อยากให้พวกเราที่จะเข้ามาอยู่ในวัดกันไม่ว่าจะเป็นสั้นก็ดียาวก็ดีเนี่ยตรงที่เรารู้สึกกันได้ว่าเนาะตอนนี้เนาะเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้เนาะมือเราอยู่ตรงไหนเนาะ ตอนนี้เรากาลังเคลื่อนไหวหรือเรากาลังหยุดนิ่งทั้งหมดเนาะก็ถูกหมดเลยเนาะแล้วก็ตรงนั้นหละก็จะเป็นสิ่งที่เราก็ได้อาศัยความเคลื่อนไหวก็ดีความหยุดนิ่งก็ดีเป็นการทำความรู้สึกตัวเป็นการสร้างนิสัยใหม่ๆให้เราเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะจะเป็นนิสัยได้ก็เมื่อเราเพียนเนาะเพียนความเพียนเนาะกับความพยายามมากเกินไปก็คนละอย่างกัน เพระนั้นนั่นคือตรงนี้เนาะทุกขณะที่เรากำลังยกมือสร้างจังหวนะเนาะทุกขณะที่เรากำลังเดินจงกรมกันถ้าเกิดว่าคำพูดของครูบาอาจารยนะ์เนาะได้ขึ้นมาเนี่ยอาทิเช่นนะเป็นคำพูดที่บอกบอกว่าวางกายคลายคลายวางใจกลางๆไม่เพ่งไม่จ้องอะไรเงี้ยคำพูดที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นคำพูดที่ไม่ใช่เป็นความจำเฉยๆเนาะถ้าเป็นความจำเฉยๆก็กลายเป็นความคิด แต่ก็ให้พวกเราเนี่ยเปลี่ยนความคิดตรงนั้นเป็นการกระทำถ้าว่าเราเปลี่ยนความคิดเป็นการกระทำเปลี่ยนความคิดเป็นการกระทำเนี่ยตรงนี้เนาะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้การใช้เวลาของพวกเราไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ดีจะเป็นที่สุขโตก็ดีจะเป็นที่บ้านก็ดีจะเป็นบนรถบนเรืออะไรยังไงก็ดีตรงนี้เนาะ เ, เราก็ได้ทำความเพียรที่ถูกต้องแล้วอาศัยความเคลื่อนไหวก็ดีความหยุดนิ่งก็ดี การยืนก็ดีการเดินก็ดีการนอนก็ดีการนั่งก็ดีตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเอาออเลียบททั้งหมดมาเป็นความรู้สึกตัวแล้วก็ตรงนั้นสิ่งที่ได้รับประโยชน์ก็คือตรงนี้การปฏิบัติธรรมก็จะเป็นผลกับพวกเราจริงๆแล้วก็ตรงนี้เนาะพวกเราก็จะได้รับผลของความไม่ทุกข์จริงๆแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็แบบจะได้ไม่ต้องนึกเสียเวลาเนะาะ มาปฏิบัติธรรมที่สุกโตเสียเวลาเปล่าๆทำไม่นู่นทำไ่นี่เสียเวลาเปล่าๆ เ, เพราะว่าตรงนั้นหมายความว่าเราได้ทำเนาะทุกอย่างให้เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วทุกเราลดลงเรียบร้อยแล้วจะถึงจุดสุดท้ายหรือไม่ถึงจุดสุดท้ายหรืออะไรยังไงก็ตามก็เพียรกันต่อไปเพราะว่ามันก็ชีวิตของเราถ้าไม่ชาตินี้เนาะก็ยังมีชาติหน้าอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราทำความรู้สึกตัวกันเนาะ ให้มากเนาะทำความรู้สึกตัวกันให้มากโอกาสของเราชาติหน้าก็ดีกว่าชาตินี้หรือว่าถ้าเกิดบางคนที่มีความเพียรที่พอเหมาะพอดีชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายนั้นนั้นคือตรงเนี้ยก็ขอให้พวกเราเนาะเคลื่อนไหวกันหยุดนิ่งกันด้วยการที่พวกเราเนี่ยอยู่กับความรู้สึกตัวกันอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับกายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับใจกลับมารู้สึกตัวกันก่อน นั่นนันคือตรงเนี้ยเนาะก็เป็นที่สุดเนาะของคำสอนของหลวงพอ่อําเขียนที่พวกเราภูมิใจกันว่าเราเป็นลูกศิษย์หลวงพอ่อําเขียนก็ขอให้ความปฏิบัติเนาะของพวกเราทั้งหลายก็เป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถินก็กลับพระพร้อมกัน